الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله و ا ص ح ا ب ه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربشرح ا لي صدر ي م ิ่งสิริอัมริวัดลูก م ด ل ม ا ิสาน ن ิ่งขะ ل ่าลิอัลลัมม ا ل ัล م ن ا ณ์ ا ัลกุรอ ا ل อัลลัมมะอัล ر ิมณ์อัลกุรอานอัลลัมมะลิม ر ์นะคิทับก็ว่ ا ก็ร์น่ الحمد لله ال في نعمة الله سبحانه وتعالى سلطان และรหำมัตของพระองค์ทุกๆท่านวันนี้เราจะขึ้นสุราไหมนะครับสุรุตอัลมุทัฟฟิฟินนะครับสุรุตอัลมุทัฟฟิฟิน หน้า83นะครับถ้าเป็นภาษาไทย83ซูร่าทัลมุตัฟฟิฟ้นอันนี้เราจะได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศสองซูร่าที่ผ่านมาสามซูร่าที่ผ่านมา เรากำลังเรียนเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนักๆที่พูดถึงวันเกียรติจริงๆแล้วหะดีสที่เราเคยอ่านในสุรที่แล้วนะครับที่ท่านนาบีสุละละ่บอกว่าใครก็ตามที่อยากจะรู้อยากจะเห็นวันเกียรติเหมือนกับว่าเขาเห็นกับตาตัวเองให้อ่านสามสุรทิสุรห์อะไรบ้างจำได้ไหมครับ สามเุรากที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าใครอ่านสามสุรานี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นเกียมัตจะจะกับตาตัวเองเลยนั่นก็คือสุรากแรกเลยก็คืออิดชัมสุรุรัแล้วก็อิดะมาอุฟัตระละอิดะเมาอุชักระสามุรานี้แปลกทำไมสองสุราแรกมันอยู่ด้วยกัน แต่ระอัลอินชิกาะเนี่ยมีรษะอัลมุตฟิฟนไปขั้นกลางจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ติดๆกันนะสาสาระที่นูตในะิอิดะัชชัมุรัแล้วก็ระต่อไปก็อิสมาอนฟัตรมันน่าจะมีอิัชชัมอิสมาอชักกัแต่อยู่ดีๆเราเหมือนกับตัดบทตัดตัดเรื่องเปลี่ยนเรื่องไปเลย มีสุรษะอัลมุทัฟฟิฟนไม่อยู่ตรงกลางนะขันกลางระหว่างสุรษะอิดะฉับอิดะสเมอุฟัตารัดกับสุรษะอัลอินชิกาบอิดะสเมอุชักกะมันต้องมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะเอ๊ะทำไมต้องมีสุรษะนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับสุรษะที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอัลมุทัฟฟิฟิน ยงเรายังไม่ได้อ่านอายัดก่อนเราจะอธิบายบทนำของมันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอัลมุตาะฟิฟีนหมายถึงมาจากคำว่าตัฟีฟอัฟฟีฟตัฟีฟในภาษาอาหรับนหมายถึงเรื่องเล็กๆน้อยนอยเรื่องนิดเดียวอัลมุตาะฟิฟีนหมายถึงพวกที่ใ น, ใ น, ใ, นในสุรษนี้ก็พูดถึงให้นิยามด้วยอัลลัตินอิซัตตาลูอัลัลนาสีสตฟู وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ผู้ที่เวลาที่ตวงจากคนอื่นเอาเต็มกิโลแต่เวลาที่ช่างให้คนอื่นตวงให้คนอื่นไม่เต็มพวกที่ชอบโกงนะโกงตาช่างเพียเดียวเล็กๆน้อยๆหนึ่งขีดสองขีดบางทีไม่ถึงหนึ่งขีดก็ยังคิดที่จะโกงอีกคือมองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก เป็น้องครับดูเผินๆเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอัคคีรัตเรื่องค้าขายเรื่องธุรกรรมปกติของมนุษย์ในชีวิตประจําวันแต่ไม่ครับไม่เราบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่เราทําบนโลกนี้เกี่ยวข้องกับอัคคีรัตทั้งหมดเลยเรื่องที่มนุษย์คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบางครั้งของพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ยอมรับ ในวัฒนธรรมประเพณีของเราเราขาลเล็กๆน้อยๆเาเอาเรานึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่ Allah t a าลาไม่ได้เล็กกับเราด้วยนะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กกับเราด้วยเพราะฉะนั้นไวลอนลิลมุตฟิซีนนรกเวลนะครับไวลอนมีสองความหมายเราจะเรียนกันนะครับว่ามันคืออย่างไรแต่จะบอกว่าการที่สุรห์นี้มาอยู่ตรงกลางระหว่างสุรห์ต่างๆที่พูดถึงวันกิยามัตเนี่ย ดูเผินๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันเกียรมั้งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ล็อกสุภาณอัตะลต่ากําลังจะเตือนสติมนุษย์ว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วลัทธิอาราคิดหมดและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในวันอาเครัตต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าในสุลฮ์นี้อัลตะละ่าจะนําเสนอมุมมองที่เกี่ยวข้องกับอาเครัตอย่างไร กับวันเกียร์มัดอย่างไรในสุรอกอื่นพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้ น, นวันอัคราชอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในสุรอกอัลมุต ฟ, ฟิฟีไม่ได้พูดถึงวันอัคราชแต่พูดถึงในสุรอกพูดถึงเหมอนกันนะครับว่าสภาพของชาวสวรรค์อยู่ยังไงอะไรยังไงแต่เริ่มต้นด้วยการพูดถึงพฤติกรรมมนุษย์ในโลกนี้ซึ่งมันไปเกี่ยวโยงมีมิติเกี่ยวข้องกับวันอัคราชอย่างไร นเป็นน้องเปิดนะครับโซล่าตึงตอกสี่ชิ้นเราจะอ่านพร้อมๆกันสักมันยาวมากอาจจะแบ่งอาจจะแบ่งอ่านสักนิดหนึ่งสักประมาณประมาณสักอธิบายคงไม่หมดนะประมาณสัก10บสิบะ Kau a a t nak kau ayat si a y a r kata. d h u billahi min al-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم ويل للمطففين, للمطففين, للمطففين. الذين إذا ابتلوا ع ل َ ناس ี่จะตัวหุ่นอาเดียรَจะตั ي งทั่วอาลัยจะตั้งทั่วว่าแต่ค้าลูกุ่มอาวุฒิหนุ่มยรู้ لا يظن أولئك أنهم مبعوثون أولئك أنهم ليوم عظيم. ย َوْمَ ي َ قوم الناس لرب العالمين ย َوْمَ ي َ قوم الناس لرب العالمين َ كلا إن كتاب َِ الفجر เจ r i ญ a นส i ่งจีนว่าไม่ a ู้ a ่าส นะครับสุรทูลต่อฟิฟีนอที่หนึ่งอีก้านะครับจบกรณีจบพอดีตรงนั้นอัลลวาันอัลลอฮว่าวลุลลิลมุตัฟฟีฟนความพินาจงมีแด่บรรดาผู้ที่ทำให้บกพร่องในการตวงและการชั่นจริงๆแล้วสุร้อนนี้มีการคิลาฟกันมีความเห็นที่ขัดแย้งกันนะครับว่ามันเป็นสุร้อ์ที่ถูกประทานลงที่ไหน ลงที่มักกะลงที่สมัยที่ท่านนาบีสุสลต่านอยู่ที่มักกะหรือหลังจากที่อพยพไปแล้วอย่างที่เราทราบนะครับสุรอกมัค ก, กียหรือสุรอกที่ถูกประทานลงมาที่มักกะเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะพูดถึงประเด็นเรื่องความเชื่อมากกว่าเรื่องบทบัญญัติประเด็นเรื่องอัลลอฮ์ประเด็นเรื่องอาเครัตประเด็นเรื่องสวรรค์ประเด็นเรื่องนรก นะประเด็นเรื่องวันกิยามัตเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นในสุราที่ผ่านๆมาคือจะมาองคชักกัดนะอจะคือจะชัมศุกเวรต์คือพูดถึงเรื่องแบบที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อก่อนมาเป็นอันดับแรกแต่สุราคนนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็พูดถึงการยักยอกการเอาเปรียบนะการชั่งไม่เต็มการตัวไม่เต็มซึ่งไม่ได้มีนะดูดูครั้งเดียวเนี่ยเหมือนไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของนอนาคต เพราะฉะนั้นก็เลยมีการคุยลับกันว่าตกลงสุรฮะนี้มันลงที่ไหนลงที่มักกะหรือว่าลงที่มดินนะกันแน่นะครับก็มีหลายความเห็นนะครับบางก็บอกว่าลงที่มักกะบางก็บอกว่าลงที่มดินนะบ้างก็บอกว่าลงที่มักกะแต่เป็นสุรฮะสุดท้ายที่ลงที่มักกะก่อนที่ท่านนบีสุลฮะอัลลอฮจะอพยพไปที่เมืองมดินนะซึ่งทัศนะนี้น่าจะเป็นทัศนะที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับ แล้วเหตุที่ว่าสุรน์นี้มีการพูดถึงการโกงตาช่างการโกงการอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าพฤติกรรมนีเน้เป็นพฤติกรรมที่แพร่หลายในหมู่ชาวมักกะ <c oughs> มันกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตสังคมชาวาเยลียาห์สมัยนั้นอย่าลืมนะครับว่าพวกกเรช เ, เป็นพวกช่ำชองในเรื่องการอะไรครับการค้าขาย ชาวมักกะเนี่ยสิ่งที่ช่ำชองที่สุดก็คือการค้าขายไม่ใช่เรื่องการเพาะปลูกการเพาะปลูกนี่อยู่ที่เมือมาดีนะมักกะเนี่เพาะปลูกไม่ได้ปลูกตามมาไม่ขึ้นไม่มีที่ให้เพาะปลูกได้ซักถ้าจะซื้อเนี่ยถ้าจะจะกินลูกตามาจะกินข้าวสาลีจะกินต้องสั่งต้องอินพ็อตมาเพราะฉะนั้นคนมักกะเนี่ยเป็นพวกค้าขายเป็นพวกพ่อค้าดังนั้นปัญหา ที่แพร่หลายในมักกะก็คือปัญหาเรื่องการกงตาช่างปัญหาการคนะ้าขายแบบไม่บริสุทธิ์นะครับนะอัอฮฺสุบไบละฮ์มินซากอัลลุบละฮตลยงพฤติกรรมที่มันแพร่หลายในหมู่ชาวมักกะเนี่ยกับวันอัคยรัตเพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยอัลลอฮฺตะลคิดอัลลอฮฺตะลเอามาพูดอัลลอฮฺตะลเอามาเห็นไหมครับหนึ่ง เพื่อที่จะบอกว่าอะไรเพื่อที่จะห้ามเพื่อที่จะตาหนิเพื่อที่จะปราดปรามนิสัยชั่วๆนิสัยเร็วๆของคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นและ อ, อีกด้านหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งเนี่ยสุรั์นี้นี่มันสอนให้เรารู้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องอัลกิดาอย่างเดียวศา ส, สนาอิสลาม ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อยอย่างเดียวหรือเกี่ยวกับการละหมาดอย่างเดียวเกี่ยวกับการเคารพพักเบลลอัลลอฮ์อย่างเดียว <S <S แล้วไม่พูดถึงประเด็นเศรษฐกิจกไม่พูดถึงประเด็นการทําการค้าขายเวลาคุณจะค้าขายคุณไม่ต้องใช้อิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ครอบคลุมภาษาอับเรีก um รงกฤษ ถ, ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่า comprehensive comprehensive ก็คอือการ การพูดหลายมุมทุกมิติของชีวิตมิติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มิติเรื่องความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วระหว่างมนุษย์ด้วยกันมิติความสัมพันธ์กับมรรคโลกอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นะกับมลทิฏฐิกับดวงอาทิตย์ทุกอย่างอิสลามมีพูดถึงหมดเลยนี่คือศาสนาอิสลามนะครับแม้แต่เรื่องการค้าขายการโกงเล็กๆน้อยๆการโกงเล็กๆน้อยๆเนีอยอย่ยสุบฮานอัลลอฮ ผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มันเป็นอะไรอ่ะมันมันมันมีไหถามว่ามันมีไหมมันหายไปจากมันมันมีมานานมากแล้วมีมาตั้งแต่สมัยของนบีชูอายอาดีฮิสซาลามนบีชูอายมีสมัยนบีมูซามา ก, ก่อนพวกของนบีชูอายเนี่ยอัลชาบับอายค่ะนะพวกของชูอายเนี่ยปัญหาของพวกท่านนาบีชูอายก็คือโงงแต่ช่างนะครับมีมานานมากพอมาถึงยุค ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมสันหลับก็มีอีกและอิลาฮะอิลอัลลอฮ์ทำไมมนุษย์ฮะมันมันสืบทอดนะของที่ไม่ดีต่างๆเหล่า น, นี้มาจนถึงยุคของเราเนี่ยผมว่ามันแอดวานซ์กว่าสมัยก่อนวิธีการโกงอนะ่ยนววิธีการโกงคนอื่นนี่รู้สึกว่ามันจะเขาเรียกว่าพัฒนาพัฒนายิ่งกว่ายุคของท่านนาบีมุมมากบางทีเราไม่รู้ว่าเราโดนโกง ไปซื้อของที่ร้านเช็คสมมุติไปนะไปซื้อของร้านเข้าเนี่ยซื้อไปซื้อมาเขาตั้งเราเราอุตส่าต่อราคาตั้งครึ่งกว่าแล้วไปไปมาพอเดินออกจากร้านเจ็กมันยิ้มใส่เราเ <c oughs> นะเราโดนโกงไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันสแสดงว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกหัวระแหง ทุกแห่งในโลกคนอาหรับก็โกงคนจีนก็โกงนี่คนอาหรับไม่ที่พูดถึงคนที่พูดในอาย an, อนะอัลกุรอานนี่พูดถึงคนอาหรับนะพูดถึงคนอาหรับที่อยู่ที่มักกะด้วยนะไม่ใช่คนอาหรับที่อยู่ปลายแถวคนอาหรับระดับหัวแถวนะคนมักกะคนกุร์เรชแต่ก็มีนิสัยแบบนี้สุภานัลนแหละนะพี่น้องลองไปคิดดูเองนะลองเอาไปคิดดูเองว่าในชีวิตของเรานี่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไหมนะถ้ามันถ้าเรายังมีรู้สึกว่า เราก็ใช้วิธีนี้แหละในการทีค้าขายกับคนอื่นในการทําธุรกรรมกับคนอื่นในการอะไรก็แล้วแต่เวลาที่จะเอาจากพี่น้องเนี่ยโอ้ไม่ได้ต้องเอามาเต็มหน่วยนะตังแดงเดียวก็ไม่ได้แต่เวลาที่จะให้กับเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนขายผ้าผมเคเคยเคยได้รับทราบมานะครับก็าบอกว่าคนขายผ้าเวลาที่เขาวัดผ้าเนี่ยหนึ่งหลาเขาวัดให้เราเห็นต่อเนื่อเลยนะเหมือนเล่นมายากลเลยเขานับวัดเต็มหนึ่งหลาปื้อ อ๋อตรงนี้นะตรงนี้แต่เวลาที่เขาสาัตย์เดียร์เขาต้องเอาอย่างน้อยก็นหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรครึ่งเซนยังยางเขาเรียกว่ากระเถิบกระเถิบเข้ามาอีกครึ่งเซนไม่ครบหนึ่งหลาตอนวัดเนี่ยวัดหนึ่งหลาแล้วออกเป็นอย่างนี้ทุกรางสุภาพรัลละอิละห์อิลลัลลอฮ์มีอัลกรุรอานกําลังพูดกับใครอัลกรุรอานกําลังพูดกับผีที่ไหนกําลังพูดกับยินที่ไหนไม่ครับ อัลกรุรอานกลังพูด ก, กับเรานี่แหละกับเราที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับกาลังพูด ก, กับสังคมที่มันมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆดันั้นฟังนั้งฟังอัลกรุรอานเอาไว้อัลกรุรอานบอกว่าอย่างไงไว้ลนฟิลโมตฟิฟีนอย่าคิดว่ามันเออเนลน็กน้อยคงไม่เป็นอะไรนะครับแต่อัลกรุรอานขึ้นต้นด้วยคาว่าไว้ไว้เนี่ย นะมีความหมายนะบรรณานักรมจซีรบอกว่าบางคนก็บอกว่าคําว่าไว้ล้นเนี่ยเป็นคําพูดที่บ่งชี้ถึงความไหมนะเป็นความชั่วร้ายบางคนก็บอกว่าคําว่าไว้ล้นเนี่ยหมายถึงหุบเขาแห่งหนึ่งในนรกยันน์นะอัลุบิลละฮ์เบลลาลิกอย่างไรก็จะนะครับทั้งสองความหมายนี้นะเราก็ไม่ชอบทั้งสิน้นนะ เสียหายบนโลกนี้เราก็ไม่เอาเสียหายในโลกอาคารัเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นไวลอนลิลมุตาะฟิฟินฟังให้ดีนะบรรดามนุษย์ที่ชอบชอบโอกงคนอื่นบรรดาคนที่ชอบโอกงแระชั่งบรรดาคนที่ชอบหลอกลวงคนอื่นในการทำธุรกรรมกินทรัพย์สินของคนอื่นโดยที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮฺนะเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาควักเอาเงินจากกระเป๋าของคนอื่นมา โดยไม่ถูกไม่โดยไม่ชอบทำเนี่ยไว้ลนลิลมุตฟิฟีบาทเดียวก็ไม่ได้ครับอย่าว่าแต่บาทเดียวครึ่งสตังค์ยี่ 10, สิบสตังค์สิบสตังค์ห้าสตังค์หนึ่งสตางค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไว้ล้นลินมุฟิฟผมบอกแล้วว่าคำว่าฟีนี้มาจากคําว่าเรื่องเล็กๆบางทีครึ่งเซนใครจะบอกเรานึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องเล็กนี่แหละที่อัสอาลาบอกว่าไว้เอมุตฟิฟีไม่คนที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก เอาเล็ ก, ลกๆในน้อยเครื่องเคตร์ น, นะครับสองกรัมคงไม่มากนะครับไม่เป็นไรจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามสนับสนุนสนับสนุนยังไงซ้ำหันอีดะบะซ้ำหันหมายถึงว่าถ้ามันเกินไปหน่อยเนี่ยให้ให้ไปตานี่คือคำว่าซัมหันไม่ใช่ว่าเวลาที่อะเวลาที่มันเกินไปหน่อย น, นี่ไม่ได้แต่เวลาที่ไม่ครบเนี่ยต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเข้าขายแบบนี้ เวลาให้เพื่อนเนี่ยให้ให้แบบไม่ครบแต่เวลาเพื่อนให้เราเนี่ยเอาต้องครบต้องเยอะกว่าด้วยซ้ำอันนี้เข้าข่ายไว้ารุนเริ่มัลต ฟ, ฟ, ฟิฟิอิสลามเนี่ยสอนให้กลับกันสอนให้กลับให้ตรงกันข้ามกับอัลโมต ฟ, ฟิฟิเวลาที่เราให้เพื่อนนะช่างมันเกินไปทําให้มันเกินไปหน่อยอันนี้ท่านนบี บ, บอกว่าอัลละห์ชอบท่านเราล็อกสั่งชอบนิสัยของมุสลิมที่เวลาที่ค้าขายก็คือมีความอารมอะโวย ยกให้ยกให้เล็ก<ๆ>นิดหน่อยอ้าอากิโลหนึ่งขีดไม่เป็นไรขีดแค่กิโลเดียวอย่างนี้เป็นต้นไปว่าซ้ำหันเวลาที่ให้คนอื่นเวลาอะไรก็แล้วแต่เราควรจะมีนิสัยแบบนั้นอย่ามีนิสัยแบบนี้อัลลอฮนะอิบัตัลูอัลลอนะซียะสโธฟูนเวลาที่ไปซื้อของคนอื่นคนอื่นช่างให้กับตัวเองคนอื่นตวงให้กับตัวเองเนี่ยยะสโฟูนเรียกร้องมาให้เต็มมาดูตาช่างถึงเรื่อง นะครับวัดมาอย่างดีว่าครบไหมโอเคไหม What is the Kalum? n u r u n แต่เวลาที่ตัวเองตวให้กับคนอื่นช่างให้กับคนอื่นเนี่ย y u c h i ให้ไม่ให้ไม่ครบนะให้ไม่ครบตช่างให้ไม่ครบกิโลให้ไม่ครบตามที่นะตามที่ควรจะเป็นเราูเป็นละมินซาลิก t a l a ใช้คาว่าไวลุน ลิลมุตัฟซีอาลลอฮุอะลลอสอบรุลลอฮอตบลเลาะจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงคือเหมือนกับว่าพอมันเป็นเรื่องปกติในสังคมเนี่ยก็เลยปล่อยๆมันไปต้ะนะครับไม่มีใครพูดถึงนะอุบิลลาห์มุซาลิลาอิลาห์อิลลอห์ลาอิลาห์อิลลอห์สรุลลอฮอตบลาสลามเนี่ยมาชอัลลันะครับไม่ผ่านครับ ไม่ให้ผ่านความอายุติธรรมแม้เพียงแค่นิดเดียวนี่อิสลามไม่ให้ผ่านต้องยุติธรรมอันเนี้ยแบบนี้เราเรียกว่าความไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับการที่เราให้คนอื่นนี่เราให้น้อยแต่เวลาที่เราเอาจากเพื่อเราจะเอาเต็มเนี่ยยุติธรรมไหมแบบนี้นี่นะครับคืคอความไม่ยุติธรรมที่อิสลามเนี่ยสู้รบปรบมือกันมาตั้งแต่แรกที่อัลลอฮ์สั่งตะละแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมก็สั่งประกาศเลยว่า อ่อินนี่ห้ามตุ้ง ظلم ะ علىنفس อินนี่เจ้าลห์เบญคุมห้ามฟะลาท้าลมอักมาว่าลัลละศรัทธาสุลามท้จริงแล้วฉันเนี่ยเหมือนกับประกาศประกาศว่าฉันเนี่ยไม่ให้มีซาเลมในตัวฉันในตัวองค์ข้าอัลลอฮฺละอพูดใน hadis กุซีอย่างนั้นแล้วฉันก็ทาให้การซอเลมการไม่ยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหมู่พวกเจ้าด้วยกัน فلا تظلمو يا ظالم يا ظالم นี่นะุลโมจุลโมตุน يوم القيامة แค่ที่เราจุลโมแค่หนึ่งอันหนึ่งครั้งนิดเดียวในโลกนี้เนี่ยพอถึงวันอาครัชจริงๆมันจะกลายเป็นความมืดมิดที่หลายชั้นหลายทบหลายเท่าเลยทีเดียวจุลโมจุลมะเจ้ามันกปลี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับการความยุติธรรมเนี่ยเราถือว่าเป็น แกนแกนของศาสนาอิสลามในเรื่องการทำธุรกรรมในเรื่องการแบ่งมรดกในเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวในเรื่องการพิพากษ า, าการพิพากษาคนที่เป็นผู้พิพากษานะครับคนที่เป็นตกรดีเนี่ยอันตรายมากหน้าที่ในการฟัตวาใน้าที่ในการวินิจฉัยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความยุติธรรมอย่างสูงนะครับแม้กระทั่งคนที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน อานนี้พวกเราถ้าไม่มีพายามากกว่าหนึ่งคนก็รอดตัวไปนะครับถ้ามีพายามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยถ้าหากว่าสเลมให้ไม่เท่ากันไม่ยุติธรรมเนี่ยพอถึงวันเกียร์มันเนี่ยจะเดินเขาบอกว่าจะเดินยังไงนะเดินเดินหัวไหล่เอียงไปข้างนึงนะครับเพื่อให้เห็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าตอนที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเลี้ยงดูนะเลี้ยงดูไม่เท่ากันนะครับสุภาพนั่นแหลถึงขนาดนั้นเลยน่าอู้ดเป็นะละนั่นแหละ นะครับกับลูกก็เหมือนกันเคยมีกรณีที่ท่านนาบีสลลุสลตล่นานมีชายคนหนึ่งซาราบะคนหนึ่งแบ่งของให้กับลูกไม่ใช่มรดกเขาเรียกว่าฮิบะเป็นการแบ่งให้แบ่งของให้กับลูกเกรกกพราะเอิญว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งที่ตัวเองรักมากหัวแก้วหัวแวนนะให้ให้แล้วไม่ให้คนลูกคนอื่นเลยตกลงแม่ของลูกอีกคนหนึ่งสมัยก่อนคนอาหรับ มีภรรยามากกว่าหนงคนเป็นเรื่องที่เราเห็นกันเป็นเรื่องแพร่หล่ะนะครับแม่ของลูกอีกคนตรงนี้บอกว่าฉันไม่ยินดีฉันไม่พอใจกับการแบ่งนี้เอาเอ า, เอาให้กับลูกแค่คนเดียวอลูกคนไหนบางทีนะฮะลูกคนไหนที่อ้อนเราบ้างอะไรนะนวดบีเรามั่งเนี่ยอันนี้ยเรามักจะเออลูกคนนี้ดีเว้ยนะครับอีกคนตรงนี้ไม่เอาไหนเวลาให้อะไรก็คือให้คนเดียวอย่างเงี้ย ตกลงแม่ของลูกคนนี้บอกว่าฉันไม่พอใจฉันไม่ยอมเด็ดขาดจนกว่าท่านจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับท่านรอสูลอัลลอฮฺสันลัมว่าการกระทําของท่านนี่ถูกหรือเปล่าตกลงซาบะคนนั้นก็เลยเข้าไปหาท่านอับดุลเลาะห์สันลัมแล้วก็เล่าเรื่องเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่านอับดก็เลยถามว่าท่านให้สิ่ง น, นี้กับลูกคนอื่นๆเหมือนกันไหมซาบะคนนั้นก็บอกว่า ไม่ฉันให้กับลูกคนนั้นคนนี้ค น, นเดียวเอาฉันท่านบอกว่าอิตตนะกลล่าอิตตะกลลาเปี่เอาละเอาคำว่าก้อละตอสจงยำเกรงต่อล l l a h แม้กระทั่งกับลูกเราก็ตามนี่ครับความยุติธรรม <c oughs> ถ้ามันไม่มีเรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยสังคมจะอยู่ได้ยังไงถ้าหากในครอบครัวเราเนี่ยมองไม่เห็นความยุติธรรม ไม่เห็นว่าเาครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเล็กๆซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอำนาจการดูแลวควบคุมของเราเนี่ยเรายังพดุงความยุติธรรมไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องเรียกหาความยุติธรรมจากที่ไหนนอกบ้านถ้าในบ้านเราี่ยังไม่มีความยุติธรรมแล้วพี่น้องคิดว่านอกบ้านมันจะมีให้เราหรืออันนี้แหละครับคือปัญหา สังคมตอนนี้เนี่ยเรียกหาความยุติธรรมจากคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับตัวเองก็ไม่ให้กับลูกเมียก็ไม่ให้กับคนก้างบ้านก็ไม่ให้กับคนในชุมชนก็ไม่ให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ป็นประเด็นที่มันเหมือนกับซ่อนตัวอยู่ในสังคมประเด็นเรื่องการโกงตาช่างประเด็นเรื่องโดยเฉพาะสังคมของคนที่ไม่มีอัลลอฮฺสุบไบาะตัดละเป็นพระเจ้านะอัลลอฮุบิลละมินตะลิออันนี้ก็ทําได้ทุกอย่าง ไอคนที่รวยเร็วรวยเร็วรวยลัดเดี๋ยวนี้นะที่มันรวยวันแบบข้ามฟ้าข้ามกันข้ามคืนข้ามวันเนี่ยนอนอยู่ในคืนดีๆคืนคนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวรวยไปเช็คดูเลยมักจะมีความไม่โปร่งใสมันไม่มีนะักกดเกณฑ์หอหลอกมาตำอะไรไม่มีแบบรวยแบบเพี้ยงวันเดียวรวยไม่มีมันจะต้องมีรับลมคมในอะไรสักอย่างแล้วมันแทรกซึมอยู่ทุกหย่อมย่า อย่าเรื่องราวต่างๆแบบนี้เรื่องการโกงเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการโอ้ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ปัญหากันตรงไหนยอยู่ทุกอย่างเนี่ยนะะบางทีนี่เรามองว่า อ, อแวดวงที่มันเรื่องแบบนี้เยอะๆก็โอเคไปบางทีเราหมดปัญญาที่จะแก้แต่ในแวดวงของมุสลิมกันเองบางทีมันก็มีเรื่องพวกนี้และเป็นที่ยอมรับกันถ้าไม่มีเบี้ยไม่เอาไม่เอาไม่ยอมรับนะครับไม่ได้ สุฮานัลลอฮฺลาอิลลฮฺอิลลัลลอฮลาอิลฮอิลลัลลอฮเนี่ยปัญหามันอยู่ที่อายักข้อที่สที่อัลลอฮฺถามว่าพฤติกรรมที่เรามองว่ามันเป็นพฤติกรรมเล็กๆอย่างนี้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นเพราะว่าแอลลัฮฺย์ณุอฺลาอิคฺแอนน์ฮุมบะอุสูนลียูมงั้งซีมยูมยาคูมนัสลีรับบิลอาลัม คนที่โกงตาช่างคนที่ไม่ยุติธรรมคนที่คดโกงคนที่ทำชั่วทั้งหลายเล็กๆ ก, กน้อยอยแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยคนเหล่านี้ไม่คิดหรือไม่เคยคิดมีในหัวสมองของตัวเองเลยหรือว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะต้องมะบอซูนฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Allah จะทาให้พวกเขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลียมินอซีมในวันที่ อาซีมนี่หมถึงว่าใหญ่หลวงหนักหนามากเป็นวันที่วันเกียรมะสภาพเหมือนกับที่วันเหมือนกับสุรที่ผ่านพันมาที่เรานี่แหละไม่คิดนะตอนที่เราโกงเพื่อนนี่เราไม่คิดใช่ไหมว่าวันหนึ่งเราจะตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยสภาพของเราจะเป็นยังไงเราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าอัลลอสุบฮานะตะลาโยมายะกูบุนเนสลิรอบบิลอาลามีนยืนยุตนาอัลลอฮะลา นะครับคนเดียวแล้วพระองค์ก็จะซักถามเราที่ลาอย่างที่ลอย่างที่ลอย่างทำชั่วแค่นิดเดียวแค่เท่าผงอัอมพระวังตเลก็จะเอามันมาคิดบัญชีกับเราทั้งสิ้นนี่แหละครับคือความสำคัญของการที่เราจะต้องมานั่งทบทวนอัคระตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าความชั่วอบยมุก ความตกต่ําทางจริยธรรมศิลธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมจะทําให้หัวใจของเราชาชินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังให้มากต้องระวังให้มากเป็นอย่างยิ่งพอเราอยู่ไปวันๆไม่ได้คลุกคลีกับอัลกรุรอานเลยไม่ได้คลุกคลีกับค ำ, คำสอนของลอส์มราร์ต้าลานะไม่ได้รักษาหัวใจให้ดีไม่ได้ป้องกันหัวใจให้ดีเนี่ย กวันนี้เวลาเราออกไปไหนนี่มันจะต้องเจอกับเรื่องไร้ร า, ราเรื่องชัวช่วชเรื่องไม่ดีเรื่องอบายามุกอ่ะพอเราอยู่ไปนานๆอยู่ไปนานๆเนี่ยตอนแรกเราอาจจะต้านบ้างนะอาจจะมีภูมิคุ้มกันบ้างแต่พอโรคมันมันบุกมันโจมตีเรื่อยเื่อยรื่อเรรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเรือเรื่ยเยเรื่อย อ, อยอยลง вроде, เหมือนกับร่างกายที่มันรือยอ่ เพราะฉะนั้นระวังหัวใจของเราให้ดีนะครับเรากลัวและเกินว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความชั่วนะเป็นความเลวทรามที่เราเห็นกับตาเราทุกวันที่เราฟังกับหูของเราทุกวันที่เราจับกับมือทุกวันที่เราเดินไปหาทุกวันกับเท้าของเราเนี่ยมันจะเป็นความชาชินเพราะเราทำแล้วเราไม่รู้สึกอะไรอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เรากลัวเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยต้องการที่จะมากระตุก ฉุก ด, ดึงนะฉุดดึงให้เราออกจากบอ่อแห่งความอมายยะเหล่านี้นี่คือความสําคัญของการเรียนรู้นี่คือความสําคัญของการเรียนวันอาเครัสนาการมุการดูวันอาเครัสแบบหลายๆลมิติหลายๆด้านเพราะว่าถ้าความชั่วนี่มันมีเยอะและมันมีรอบด้านในความชั่วมันก็ไม่มีได้ไม่มด้มันไม่ได้เค่มีแค่ด้านเดียวมันมีทุกด้านนะครับจริยธรรมก็มีด้านเศรษฐกิจก็มี ด้านอะไรอีกเกอบทุกขแขนงของการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นการพูดถึงอัครทั์ก็จะต้องพูดให้รอบ ด, ด้านเช่นเดียวกั น, นาการที่เรามาดูแลหัวใจของเราก็ต้องต้องต้องดูให้มันครอบคลุมเช่นเดียวกันอย่าปล่อยให้นะสภาพอันตกต่ำเนี่ยมันมันเข้ามันรวมเข้ามาเราโดยที่เรายกมือไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ต้องปัดป้องนะมันจะมาทางขวาเราก็ต้องปัดป้องทางขวามันจะมาทางซ้ายเราก็ต้องปัดป้องทา ง, าาทางซ้าย ต้องช่วยกันนะครับต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันต้องให้คําสังเสียต้องว่า ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين ว่า ذ ك ิเนี่ยสะกิดนะสะกิดเตือนบอกให้ทราบอกให้รู้บอกให้นึกขึ้นมาได้นะถ้าเราลืมเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยจะช่วยบอกให้เรานึกขึ้นมาได้ فإن ا ل ذ ราะ تنفع المؤمنين นะครับการให้คําตักเตือนเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ละ <س ؤ ال> เนื้อหาการตักเตือนที่ดีที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าอัลกุรอานอีกแล้วเวลาที่พี่น้องจะเตือนใครเนี่ยพี่น้องจำเอาไว้ให้ ด, ดีนะครับเอาอัลกุรอานไปเตือนเพราะอัาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا บอกว่าว่า ذكر بالقرآن من يخاف وعيد ในสุร์้าฟอัยยสุดท้ายอัลาล์บอกว่าว่า ذ ك จงให้คาตักเตือนด้วยกับอัลกุรอาน ลิมันยาข้อฟัวสำหรับคนที่เกรงกลัวการลงโทษสัญญาของอัลลอฮฺ س ب า ا ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานให้เรานึกว่าเรากำลังเตือนตัวเองนะครับเรากำลังทำให้ตัวเองกลับมาหาอัลลอฮฺ سبحانه าละขยันอ่านอัลกุรอานขยันศึกษาอัลกุรอานเรื่อยๆเพื่อที่นชีวิตของเราจะได้ไม่มีความรู้สึกชาชินกับทีวีที่เราดูเป็นประจา ละครที่เราดูทุกวันหลังข่าวฮะเพลงที่เราฟังทุกวันตอนเช้าฮะแล้วก็นะไอ้พวกสาวๆ ส, สวยๆที่มันขายของอยู่ในวิกซงวิกซีโลตัสนะในห้างนะที่เราชอบไปเดินตากแอรแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยกับมันนะต้องอ่านเราควรอ่านเพื่อไม่ให้หัวใจของเรานั้นมันด้านส้มมาคัสต์กูกลูบุคุมมิมบังดีแทร็กอย่าเป็นเหมือนกับหัวใจขอธรรดาพวกยู พวกยิวพวกชาวคัมภีร์พวกในสมัยยองนบีมูซาอะไรอัสลอละสะลัมอัสสลัมตักเตือ น, ต, ต, อนบบนะอตักเตือนแบบนั้นก็ไม่เอาตักเตือนแบบนี้ก็ไม่คิดตักเตือนอีกแบบนี้ก็ไม่ไม่เอามาเป็นอุทารอรณ์ในชีวิตของตัวเองหัวใจนี่หหัวใจตายได้นะครับน้าอุ้งรูเบละ่ะมุสลิมจะต้องมีหัวใจที่มันมีคําพูดที่สวยงามอยู่คําพูดหนึ่งของนักวิชาการที่ผมเพิ่งอ่านจากเฟซบุ๊กอีกแล้วนะครับ เนะฟซบุ๊กมันมีของดีเยอะ น, นะถ้าใครรู้จ<อ> Years, ักหาขนาดที่ของชั่วมันก็เต็มไปหมดนะครับมีคำพูดคำพูดหนึ่งของนักวิชาการร่วมสมัยเชคซอลล่อามัมมัดซอลาอัมนัจิตท่านบอกว่าของเนี่ยถ้ามันหักพี่น้องนักภาพออกไหมถ้วยที่มันแตกเนี่ยมีค่าไหมนะจานแก้วน้ำาถ้ามันร้าวเนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างไม่มีค่า น่าขายบาทเดียวก็ไม่มีใครซื้อต้องถึงทางใครอะแต่กลับกันหัวใจของมนุษย์ที่มีค่าที่สุดก็คือหัวใจที่แตกสลายต่อนน้นอัลลอฮฺสุบฮาน า, าอัลลอฮฺหัวใจที่เขาหาอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺด้วยความรู้สึกเกรงกลัวและก็แตกสลายด้วยความสำนึกผิด ห, หัวใจของคนคนนี้แหละคือหัวใจของแตกที่มีค่าเขาเรียก น, นะถ้าอยู่ต่อนน้นอัลลอฮฺแล้วหัวใจของเราไม่แตกแสดงว่า มันไม่มีค่าต่อนหน้า Allah. อัลลอฮ์ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจของเราต้องแตกในภาพออกไหมครับอยากแข็งนะหัวใจของเรานี่ห้ามแข็งต่อนหน้ า, Allah, า, า, อ, าอัลลอฮ์สุบฮานะสาลลัลลอฮ์ว่าอย่างไงก็ไม่รู้อ้าวคุณอา่านว่ายังไงก็ไม่เข้าหูไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างนี้แสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ยอมแตกแข็งกระด้างยิ่งกว่าเห็นนะครับอย่างอื่นให้มันแตกไม่มีราคาแต่หัวใจนี่ถ้ามันแตกยามนั้นแหละมันจะมีราคามาก อรักษ์อาจะชอบมากหัวใจของบ่าวคนหนึ่งที่กลับเข้าไปหาพระองค์ด้วยความรู้สึกนอกน้อมด้วยความรู้สึกเกรงกลัวด้วยความรู้สึกที่จะกลับเข้าไปหาอบอสมาอาจารยซึ่งเราทุกคนจะต้องขวนขวายเส้นทางนะอย่าปล่อยให้เราหมดชีวิตหมดเวลาในทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันในขณะที่หัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่มาสะสมในสุร้อนนี้จะพูดถึงนะ จะพูดถึงสิ่งที่มาสะสมในหัวใจจนกระทั่งมันดำมืดสนิทกันและบันร่าน هم, าลาโกลูบิหิมแม่แกโนยักสิบุจะพูดถึงหัวใจที่ถูกปิดมืดนะครับจนกระทั่งฮิดายะไม่สามารถจะเข้าไปได้มันกลายเป็นหัวใจที่ดำทมึนกลายเป็นหัวใจที่แข็งจนกระทั่งมันไม่แตกอีกต่อไปแล้วนนก็ถืเป็นลนนายลางได้เลยนะครับ อ่อแค่นี้ก่อนนะครับคืนนี้เอากันแค่ถกดดีหมนะครับบทนาของสุร a h ลป์โมตฟิฟีว่าเรื่องเล็กๆอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับอิสลามกับวันณอักษรวันที่ยิ่งใหญ่ยังไงบ้างนะครับอัลลอฮฺอุษะอาลาห์ลวัลลลัลลอฮอลนบีนา m u ลฮัลัลละอัะลอัลลฮะอัลลฮะอะลัะะลลอฮะะะ